โบเป็นไงโบส่งกันบ้านไหมดีแล้วนะ ไ, ด, ไ mm hmm. นด้ทำไปเอานุชทำไมไปส่งจิตไปข้างนอกให้ผีมันหลอกได้ฮึ เอาไปโดนหลอกมาเองแล้วก็ถามคนอื่นได้ไงถ้าหัดเจริญสตินะรู้สึกยป็นไงรู้สึกฟังเรื่องผีแล้วนะมจิตใจเป็นไงบ้างรู้สึกไหมจิตใจตอนนี้กับตอนฐานข่าเหมือนกันไหมรู้สึกไหมไม่เหมือนหรอกนะตอนนี้กับตอนที่มาถึงวัดใหม่ๆก็ไม่เหมือนกันเนี่ยคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงในใจของเราไปรู้เล่นๆรู้สบายๆห้ามรู้จริงจังนะ ใช้คำว่าห้ามไปรู้อย่างจริงจังต้องรู้เล่นๆถ้าเราอยากรู้แล้วตื่นขึ้นมาจริงๆเนี่ยอย่าไปแกล้งทำอย่าไปบังคับตัวเองให้รู้สึกเราจะเรียนจนเห็นความจริงว่าจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นะไม่ได้ฝึกจนบังคับสําเร็จนะบางคนคิดว่าถ้าฝึกจนบังคับมันได้แล้วจะบรรลุมรรคผล น, นิพพานไม่บรรลุหรอกเป็นมิจฉาทิฐิ ถ้าสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นกายเห็นใจเห็นขันห้าเนี่ยเป็นของบังคับไม่ได้อย่างนี้เรียกสัมมาทิฏฐิเพราะงั้นค่อยดูไปเวลาเราปฏิบัติระวังมันเตลิดออกนอกทางเช่นพอเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยอยากละหาทางละกิเลสนั้นเราทําไปตามความคิดความเชื่อของเราเองแลพระพุทธเจ้าไม่ได้สอน พระพุทธเจ้าบอกจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะไม่ได้บอกว่าให้รู้แล้วละด้วยจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตมีโมหะคือมันหลงไปให้รู้ว่ามันหลงไปมีโมหะไม่ได้บอกว่าต้องละต้องป้องกันไม่ได้ให้แก้ไขไม่ได้ให้ป้องกันบอกให้รู้อย่างที่มันเป็นจิตมีราคะโยรู้จักราคะยังมีราคะไหม รู้จักราคะโทสะเรี่งราคะโทสารู้จักง่ายนะแต่ราคาก็มีหลายระดับราคาที่ละเอียดเข้าไปดูยากยกตัวอย่างเราเราฟังธรรมะฟังแล้วจิตใจของเราชุ่มชื่นเบิกบานอิ่มเอิบใจนะเราไม่ได้สักว่ารู้ว่าอิ่มเอิบใจเราพอใจด้วยรู้สึกชอบใจมีความสุขแล้วมันชอบลึกๆเนี่มชอบนี่ราคะนะ อาคาก็มีหลายเกรดนิ่งโมหายิ่งดูยาก่ไงโมหะมีตั้งแต่ตัวโมหะจิตมีโมหาร่วมมีโมหะคือมันหลงไปนะมันรู้อะไรก็บไม่รู้กันหลงไปนะจิตมีความฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านก็มีหลายระดับฟุ้งซ่านเช่นจับเรื่องโน้นทีจับเรื่องนี้ทีเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยเปลี่ยนอย่างรวดเร็วดูไม่ทัน จับอ น, นันต์ิดอันนี้หน่อยเปลี่ยนปั๊บปั๊ บ, บ, บดูไม่ทันจิตฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านถ้าละเอียดเข้าไปเนี่ยกระทั่งอยากจะรู้ธรรมอยากปฏิบัติธรรมเนี่ยพอมีความอยากปฏิบัติธรรมเราเกิดขึ้นก็ส่งใจออกไปดูเนี่ยอย่างที่โยชอบทำอะ่ะพออยากปฏิบัติแล้วก็ส่งจิตออกไปดูไปดูอารมณ์เนี่ยจิตฟุ้งซ่านอะ่ะละเอียดเข้ามาโอ้ปฏิบัติ ไหวเอาไปหน่อยเดียวก็ฟุ้งแล้วจิตหดหูนะให้รู้ว่าหดหูจิตหดหูไม่ได้แปลว่าเศร้าโศกนะจิตเศร้าโศกนะันคือจิตมีโทสะจิตหดหูหมายถึงจิตเนี่ยท้อแท้ไม่ไม่อยากจับอารมณ์อะไรอยากอยู่เฉยเฉยหมดเรี่ยวหมดแรงนะไม่อยากจับอารมณ์อะไรให้มั่นมั่นขึ้นมาไม่อยากรู้อะไรแล้วเหนื่อยหน่ายไม่อยากรู้จับอารมณ์ได้ไม่มั่น แตาจิตเราเป็นอย่างนี้เราก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้เราคอยดูไปเรื่อยๆจิตของเรามีหลายแบบนะบางทีจิตเราก็มีราคะเพลิดเพลินพอใจบางทีจิตก็มีโทสะไม่ชอบใจเสียใจน้อยใจรุ่มใจกังวลใจกลุ่มโทสะนะราคะก็เยอะนะเช่นความรักความใคร่ความห่วงแม่ห่วงลูกห่วงไปห่วงมานะนี่ราคะตายแล้วเป็นเปรด สังเกตไม่เปรดเขาจะวาดคอยาวๆคอยชเง้อเมื่อไหร่ลูกจะกลับบ้านนะชะเง้อไปเรืเ่อยคอเลยยืดขึ้นยืดขึ้นนะคอยดูไปแต่ละตัวไม่หัดดูจิตเบื้องต้นนะดูไม่ต้องกี่ตัวก็ได้จิตมีราาักะมันเพลิดเพลินพอใจอะไรก็รู้ทันว่ามันมีความเพลิดเพลินพอใจมันมีโทสะมันขัดเคืองน้อยใจแค้นใจกังวลใจกลัวนี่โทสะทั้งนั้น อะไรเหล่านี้เกิดขึ้นก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นไม่ต้องละมันดูลงไปว่ามันเป็นของผ่านมาแล้วผ่านไปไม่ใช่ตัวเราหรอกบังคับไม่ได้จิตมีโมหะคือจิตหลงไปเช่นนั่งแล้วใจลอยคิดอะไรก็ไม่รู้เลยใครเคยเป็นบ้าง<ม>เออเก่งนอ ก, นอกนั้นไม่มีใครเคยหลงเลยใช่ไหม <laughs> พระทาหารทั้งนั้นเลยนะมีปุถุชนอยู่สองคนงเนห็นไหมเราเราจะหลงทั้งวันหลงนั่นแหละตัวโมหะนะใจเราฟุ้งซ่านเคยเป็นไหมใจฟุ้งซ่านฟุ้งไปเรื่องโน้นฟุ้งไปเรื่องนี้ใจหดถู่เบื่อหน่ายทอดแทะป้อแแป้ไม่อยากทําอะไรจับอารมณ์อะไรก็ไม่ชัดนี่มันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไป จิตใจมีความสุขนะรู้จักว้นสุขรู้จักใช่ไหมจิตใจมีความทุกข์ก็รู้ไปเรียกคอยรู้ไปอย่างเนี้ยรู้ง่ายๆ่ายรู้ซื่อๆนี่พูดต่อจากเมื่อเช้านะเมื่อเช้าให้รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วก็คอยอ่านความรู้สึกในใจของเราไปเรื่อยๆมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่าเข้าไปแทรกแซงอาเชิญคุณหมอทั้งสองหมอเลยเชิญ ไหมเราหันไปดูรู้ไหมใจเราวิ่งไปที่เขาด้วยดูออกไหมนี่เรียกเรียกว่าหลงดูนะถ้าดูแล้วสักว่าดู<ม>เห็นอะไรถ้าดูแล้วสักว่าดูเห็นรูปไม่ใช่เห็นคนถ้าหลงดูก็เห็นคนเห็นสัตว์เห็นนกเห็นแมวเห็นหมาอะไรอย่างนั้นไ ป, นะป น, นี่วิปัสสนาเนี่ยต้องรู้กายต้องรู้ใจนะค่อยรู้ไปรู้ใจเราไปเรื่อยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นครยรู้ไปเรื่อยๆ ใจเราไหลไปไหลามาก็ค่อยรู้ไปฝึกง่ายๆเท่านี้พอรับรองว่าพอไม่ต้องฝึกอะไรยุ่งยากนะอะไรที่เยอะเกินไปมือนเฝือยอย่างพระพุทธเจ้าเวลาท่านสอนธรรมะใครสักคนท่านสอนนิดเดียวนะคนไหนจะรู้กายท่านสอนที่สุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นแค่นี้เองจบแล้วไปทาเอา กายอยู่ในการยังไงกายกําลังฟังไปพปยักหน้าไปเห็นเห็นมันเคลื่อนไหวไป ม, มันของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเป็นก้อนาธาตุก้อนหนึ่งที่เคลื่อนไหวได้จิตใจละ่ะจิตใจก็เราต้องมีความรู้สึกตัวแล้วจิตใจของเราเคลื่อนไหวจิตใจเรามีความรู้สึกอะไรก็คอยรู้ไปคนนึ่งทำอันเดียวก็ยังพอเลยไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะยุ่งยากรู้กายถูกต้องจิตก็รู้สึกตัวขึ้นมาตั้งมั่น นะดูจิตได้ถูกต้องจิตก็ตั้งมัน่นฝึกไปเรื่อยจิตก็ตั้งมัน่นองค์มครคทั้งเจ็ดที่เหลือนะแวนล้อมสัมมาส ม, มาธิคือแวดล้อมจิตที่ตั้งมั่นอยู่ถ้าจิตไม่ตั้งมัน่นมครคจะประชุมลงที่เดียวกันไม่ได้ยันทำเท่าไหร่ก็ไม่บรรลุหรอกนะไงส่งกันบ้านไหมคุณหมอ สมถะนแต่ว่าวิธีดูให้เป็นวิปัสนาเลยคือทำได้ตั้งแต่ก้าวแรกเลยเริ่มเดินเนี่ยใจทีแรกก็อยากเดินอยากเดินรู้ว่าอยากเดินเนี่ยใช้ได้ละพอเดินไปแล้วชักเครียดจริงๆก็คือเข้าเริ่มเข้าไปจ้องเริ่มเข้าไปบังคับเริ่มเข้าไปควบคุมจิตของเราถลํมเข้าไปดูถลําลงไปดูกายถลําลงไปดูใจจะเครียดขึ้นมาแล้วจิตเครียดรู้ว่าเครียดนี่ก็ใช้ได้แล้วปฏิบัติ เห็นเครียดไม่ใช่จิตหรอกเครียดเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราเดินไปเดินไปไอ้ที่เครียดหายไปละกลายเป็นที่เบาเบิกบานรู้ว่าเบิกบานพอเลิกเดินจิตที่เบิกบานหายไปอีกละเมื่อตามรู้ไปเรื่อยๆ เ, เพราะฉะนั้นจะเดินหรือจะไม่เดินจะยืนเดินนั่งนอนในี่ามรู้ได้ตลอดเลยเดินจงกรมกันก็คือการเจริญสติในอิทิยาบทเดินการเจริญสติคือการที่คอยะระลึกรู้กายรู้ใจ ใจเคลื่อนไหวก็เห็นรูปมันเคลื่อนไหวไปใจเคลื่อนไหวก็เห็นนมามธรรมมันเคลื่อนไหวไเราเรามีความอยากนะถ้าดูตั้งแต่ต้นเลยอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเสร็จแล้วเนี่ยใจหนีไปทางใจทราบไหมจิตหนีไปทํางานทางใจนี้วิคิดจิตห น, ะนีไปทางใจรู้ว่าหนีไปทางใจ จิตเกิดทางใจจิตไปเกิดทางหูจิตเห็นจิตได้ยินจิตไปทางตาอะไรจิตแต่ละลักษณะเกิดขึ้นเราไอยรู้ทันในนี้จิตไปทางใจรู้ว่าไปทางใจทันทีที่รู้ก็ชุ่มฉ่าเลยเพราะฉนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยนะต้องปฏิบัติต้องรู้กายรู้ใจหรือรู้รูป ร, รู้นามอย่าไปรู้ที่ความคิด ต้องรู้ที่สภาวะจริงๆถ้าเรารู้จักว่าต้องดูสภาวะจริงๆแล้วถัดไปนั้นต้องดูให้เป็นดูให้เป็นคือก่อนดูก่อนดูอย่าตั้งท่าถ้าตั้งท่าเราจะเหนื่อยจะเครียดจะแห้งแล้งอย่างเราจะเดินจงกรมเนี่ยแทนที่เราจะแค่ว่าเราจะรู้ว่ากายอยู่ในอิริยาบถใดรูปอยู่ในอิริยาบถใดถ้าเรารู้เข้าไปตรงๆเลยเนะ่ยไม่ตั้งท่าสักก่อนเนี่ยจะไม่เครียด แต่ถ้าเราเริ่มต้นระยากปฏิบัติเดินอา่อานอ่านไปที่ต้นทางหัวทางจงกลมตนเนี้ยังไม่เจริญสตนะิเอาพอมาตั้งถึงที่ยืนแล้วทาใจถึงถึมแล้เริ่มทําละเนี่มันคาดเคลื่อนมาตั้งแต่เริ่มนะใจจะแห้งแลงเพราะฉะนั้นก่อนจะไปรู้กายก่อนจะไปรู้ใจนะไม่ต้องตั้งท่ารู้เข้าไปเลยอย่างตอนนี้กรอกตาพยักหน้า นะเห็นรูปมันไหวไปถ้าอย่างนี้จะไม่แห้งแรงนะดูออกไหมเห็นรูปมันเคลื่อนไปนะแต่ถ้าเราเอาละต่อไปนี้จะเริ่มปฏิบัติเพราะเราขังแก้งเริ่มแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ดูขอทำขลุมก่อนเอาละคลุมได้ที่แล้วค่อยดูอย่างเนี้ยแน่นเลยั้นก่อนจะดูเนี่ยอย่าตั้งท่าดูเข้าไปเลยรู้เข้าไปเลยนี่พยักหน้าทราบไหมนะรู้เข้าไปตรงๆแค่นี้นะ ก่อนจะรู้อย่าตั้งท่าระหว่างรู้เนี่ยต้องเรียนอีกแล้วระหว่างรู้อย่าถลำลงไปสังเกตไหมเวลาเราไปดูนะเราไปดูอะไรใจเราก็วิ่งไปอยู่กับคนที่เราไปดูเวลาเพไปฟังนะใจถลำไปฟังเวลาคิดใจถลำไปอยู่ในความคิดเวลาปฏิบัติเนี่ยอุตส่ารู้ลมหายใจรู้รูปรู้นามรู้ท้องรู้มือรู้เท้านะรู้สารพัดจะรู้ใจถลำลงไปหมดเลย งั้นระหว่างที่รู้นี่อย่าถล่มลงไปให้ดูอยู่ห่างๆดูเหมือนคนวงนอกดูดูกายดูใจเขาเล่นละครให้ดูอย่าลงไปเล่นกับเขานี่หลังจากดูล่ะหลังจากดูไม่ทําอะไรอีกส่วนมากพอเราไปดูแล้วพอรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราชอบทํางานต่อเช่นพอเห็นกิเลสแล้วอยากละพยายามหาทางละเห็นใจแห้งแล้งอยากหายหาทางทําให้หาย เรามีงานทำต่อหรือบางคนก็บริกรรมต่อพอความโกรธเกิดขึ้นโกรธไม่ดีพูดโทพูดโธไว้หรือรีบไปแผ่เมตตาหางานทำต่อหรือเห็นความโกรธเกิดขึ้นโกรนเนาะโกรนเนาะบริกรรมหางานทำต่อตอนที่เราหลงไปทำงานนั้นแหละเสียเวลาปฏิบัติละเพราะฉะนั้นขั้นแรกเลย จะต้องรู้กายหรือรู้ใจรู้รู้สภาวะให้ได้วิธีรู้สภาวะก่อนจะรู้เนี่ยอย่าตั้งท่าระหว่างรู้อย่าถล่าลงไปรู้แล้วไม่ทําอะไรต่อจบอยู่แค่รู้สภาวะมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเองไม่ต้องกังวลว่าไม่แสดงไม่ต้องคิดเรื่องไตรลักษณ์ไตรลักษณ์นั้นถ้าเราเห็นสภาวะยังไงไตรลักษณ์ก็ต้องแสดงถัดจากนั้นก็ถือกดข้อสุดท้ายถ้าทําได้อย่างนี้ต้องทําบ่อยๆ ไม่ใช่สามวันรู้ได้ครั้งหนึ่งน้อยไปหน่อยมักน้อยสันโดษแบบนี้ไม่เอานะ <c oughs> ถ้ารู้บ่อยๆใจไหลแวบไปรู้ไหลแวบไปรู้เรื่อยๆนะใจจะค่อยๆรู้สึกรู้สึกตั้งมัน่นขึ้นมาตั้งมัน่นใจไม่ค่อยไหลไปไม่หลงไปพอหลงไปนี้เดียวก็เห็นละไหลนิดหนึ่งก็เห็นละแต่ใจเราไหลทั้งวันนะถ้าใครให้ดูให้ดี ใจไหลทั้งวันเดี๋ยวก็ไหลทางตาเดี๋ยวก็ไหลทางหูเดี๋ยวไหลทางใจดูอยู่สามช่องเนี้ช่องทางหลักทางจมูกทางลิ้นอะไรนี่นานนานไปทีทางตาทางหูทางใจไปเรื่อยพอไหลไปแล้วรีบรู้ทันใจก็จะตั้งมั่นขึ้นมาการที่ใจตั้งมั่นเรียกว่าจิตมีสัมมาสมาธิจบบทเรียนของสิ่งที่เรียกว่าจิตตะิกขาละใจตั้งมั่น พอมีจิตสิกขาเรียบร้อยก็ใจตั้งมั่นเนี่ยใจหลงไปทางไหนเห็นไหมรูออกไหมหลงไปทางความคิดแล้วใจที่ตั้งมั่นด้วยการที่มีสติรู้ทันใจที่ไม่ตั้งมั่นสติไปรู้ความไม่ตั้งมั่นแล้วมันตั้งมั่นขึ้นเองมันจะตั้งมั่นอย่างนุ่มนวลเบาเบิกบานแจ่มใสไม่ใช่ตั้งไว้แข็งแข็งไม่เหมือนเอาก้อนหินมาตั้งไว้บนโต๊ะแข็งแข็ง ตั้งอย่างนุ่มนวลนเบาอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานก้สามารถรู้กายรู้ใจอย่างซื่อได้ขณะนี้ใจไปทางความคิดนหมอซับไหม <S <S แค่นี้สังเกตไหมพอตรงที่รู้ทันนี่หลุดออกมาเลยเนี่ยเราหลุดอยู่เรื่อยๆหลุดเนืองๆนี่ธรรมธรรมชาติของกุฏุชนหรือของพระโสดาหลนะุดออกมาได้แวบเดียวก็เข้าไปอีกแล้ว นะเพราะอะไรเพราะาอย่างขนาดพระโสดาเนี่ยคำพีบอกว่าพระโสดาบานมีศีลสมบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยสมาธิเล็กน้อยคือมันไม่ตั้งมั่นนั่นเองมันตั้งอยู่แวบมันไปแวบมันไปห้ามไม่ได้หรอกนะถ้าฝึกมากเข้ามากเข้าพอถึงชั้นที่สองเนี่ยศีลสมบูรณ์สมาธิปานกลางจะไม่ค่อยไหลล้วไหลเหมือนกันแต่ไม่ไม่ค่อยไหลามากไหลไปหน่อยเดียวก็รู้ทัน แต่ก็ตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาถ้าถึงชั้นที่สามท่านบอกว่ามีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์นะสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางทำไมสมาธิบริบูรณ์หมายถึงอะไรหมายถึงไม่ไหลแล้วนะไม่หลงไปทางตาไม่หลงไปทางหูโดยไม่ต้องเจตนารักษาเพราะอะไรเพราะมีปัญญาปานกลางรู้ว่าถ้าเมื่อไหร่หลงไปเมื่อนั้นความทุกข์จะเกิดขึ้น เราจะเห็นเลยพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยพอใจเราไหลเข้าไปเนี่ยไหลเข้าข้างใ น, นสังเกตดูพอไหลเข้าไปคิดนึกปรุงแต่งภายในความทุกข์จะเกิดขึ้นอึดอัดขึ้นมาอยน้อยเครียดเกิดขึ้นเล็กๆความเครียดจะเกิดทันทีเลยทันทีที่จิตไหลเข้าไปทํางานแลความเครียดจะเกิดพอจิตไหลเข้าไปนี่เป็นปัญหาเข้าไปเกาะอารมณ์ไม้เป็นอุ ป, ปาทานเกาะแล้วไปทํางานทํางานเรียกว่าพบเรียกว่า ก, กรรมมาพบนะ พบก็คือการทํางานทางใจนั่นเองเสร็จแล้วมันก็จะเกิดชาติเกิดทุกข์ขึ้นมามีจิตของเราขึ้นมารองรับความทุกข์ความทุกข์ก็ตั้งขึ้นได้บนจิตของเรานี่ถ้าสติปัญญาเรากล้าขึ้นเราสังเกตด้วยเรารู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆใจไหลไปแวบทุกข์ไหลแวบทุกข์นสุดใจเกิดปัญญาปานกลางรู้ว่าความทุกข์มันเกิดจากจิตส่งเข้าไปนี่เอง จิตส่งนอกเลยหลวงปู่ ด, ดูลบอกพอรู้อย่างนี้ใจก็ไม่ไม่เข้าละโดยไม่ต้องบังคับไว้ไม่ไหลไปไหนใจตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นน่ะถึงเรียกว่าสมาธิบริบูรณ์หัดจากนั้นเนี่ยปัญญาบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์ก็คือเห็นว่าไอ้ตัวจิตที่ตั้งมั่นแล้วนั่แหละตัวทุกข์แหละไม่ใช่ว่าต้องส่งเข้าไปทำงานถึงจะทุกข์ทุกข์นี่มีหลายชั้นทุกข์โลกโลกเลยอย่างชาวบ้านเาทุกข์กันเนี่ยคือการ เจออารมณ์ที่ไม่ดีแล้วเป็นทุกข์เห็นคนที่เกลียดหน้ามันแล้วเป็นทุกข์ได้ยินเขาด่าแล้วเป็นทุกข์ถ้าเขาชมแล้วไม่ทุกข์เจอคนที่รักแล้วไม่ทุกข์ตกงานแล้วทุกข์ถ้ารวยรวยไม่ทุกข์อะไรเงี้ยนั้การประสบอารมณ์ไม่ดีเป็นทุกข์นี่นี่ทุกข์แบบที่คนทั่วๆไปรู้จักนักปฏิบัติรู้จักทุกข์อีกอย่างหนึ่งไม่ใช่อารมณ์เป็นทุกข์นะเพราะว่าถ้าจิตนะถ้าจิตฟุ้งออกไปทํางานจิตจะเป็นทุกข์พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึง เพราะงั้นจะคอยแล้วสงวนคอยรักษาจิตไว้ไม่ให้หลงไปไหลไปพวกนี้ไปเกิดในพรหมโลกพวกที่อยากได้อารมณ์ที่ดีก็อยู่ในกามาวจรนี่ส่วนพวกที่ปัญญากล้าจริงๆเห็นว่าจิตนั่นแหละตัวทุกข์พวกนี้จะไม่มีที่ไปแล้วเพราะไม่ได้คิดว่าถ้าเอาจิตไปไว้ตรงนี้แล้วจะสุขแตวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ถ้าเราอ่านอาริยสัจ ท, ที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดีท่านสอนเข้ามาที่ตัวนี้เลยนะ ท่านบอกว่าว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าคือทุกข์คือตัวกายกับตัวใจคือทุกข์ท่านไม่ได้บอกว่าจิตที่ไม่สงบคือทุกข์ท่านไม่ได้บอกว่าจิตที่ไปเจออารมณ์ไม่ดีมีอารมณ์ไม่ดีแล้วทุกข์ท่านสอนว่าตัวอุปาทานขันตัวขันนีเองนั่นแหละตัวทุกข์บางทีเราฟังธรรมะนึกมั่งง่ายนะหนึ่งมัง่งายนึกว่าเข้าใจจริงเข้าใจคนละอย่างกว่าจะเข้าใจ ตามลําดับลำดับขึ้นไปเนี่ยโหยากเพราะฉะนั้นเวลาลงมือปฏิบัติอย่าอยากปฏิบัติถ้าเมื่อไรเราสามารถสลัดคําว่าปฏิบัติออกไปซะแล้วก็การปฏิบัติเนี่ยหลอมรวมเข้าอยู่ในชีวิตจริงๆเราแล้วจะง่ายมากเลยนะจะไม่เครียดเลยการปฏิบัติแต่ถ้าเมื่อไรช่วงนี้ปฏิบัติช่วงนี้ไม่ปฏิบัติชั่วโมงนี้ปฏิบัติชั่วโมงนี้ไม่ปฏิบัติตอันนี้ทําไม่เป็นหรอก นั้นจะเริ่มลงมือปฏิบัติจะเริ่มดัดแปลงดัดแปลงกายดัดแปลงจิตดัดแปลงอารมณ์ดัดแปลงยังไงก็ทุกแน่นอนเข้าใจไหมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเผลอใช่ไหมเนยเผลอย่างเนี้ยเราก็รู้ทันไวๆนะเ <c oughs> นี่ยใช่ไหมเข้าไปสังเกตรู้ว่าใจเข้าไปส่งจิตเข้าไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจิตส่งออกเนี่ยดูยากส่งทั้งวัน เพราะงั้นจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมีน้อยสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นเยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาอภีธรรมสอนไม่ชัดเลยเพราะงั้นก่อนจะไปเกิดปัญญาเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่ไหลไปไม่หลงไปไม่ใช่จิตสงบนะสงบอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีคุณสมบัติครบเลยของโสรภณะสาธารณะเจตสิก ค, ครบเลย จิตมีปัสสัทธิสงบระงับจิตมีละหูตาเบามีมุทุตาอ่อนนุ่มนวลมีกรรมัญตาควรแก่การงานคือไม่ถูนิวนครอบงำมีปาคุณา ค, คล่องแคล่วงั้นจิตอื่นๆจิตทื่อๆไม่ใช่แล้วมันอกุสลมีอุชุกตาซื่ อ, อรู้รู้อา ร, รมณ์ไปตามหน้าที่ของจิตไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปดัดแปลง นี่เราเรียนอภิธรมนะรมแล้วเก็รู้เอาสภาวะมาท้าบเลยจิตของเราเป็นกุศลหรืออกุศลนาะจิตที่แห้งแล้งเนี่ยจิตที่มีโทมนัตเวทนาทำไมโทมนัตเวทนานี้เกิดจากการปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติที่ทาไหนจิตเราเกิดโทมนัตโทมนัตนี่เกิดได้เฉพาะกับโทสะมูลจิตเท่านั้นโทมนัตเวทนานไม่เกิดกับมหากุศลจิตทําไมใจเราแห้งผากไม่สบายเลย เนี่ยต้องระวังเพราะไม่งั้นเราจะกลายเป็นหลงไปสร้างอากูศโจิตขึ้นมาถ่ายใต้คำว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องค่อยๆดูนะเข้าใจยากนิดนึง่งแต่เรียนเยอะแล้วแล้เลยบอกอย่างนี้ได้ <c oughs> คุณหมอรู้สึกไหมมันมีการกระทำทางใจรู้ให้ทันแล้วเลิกสะมันแอบไปทำแล้วรู้ทันมันเลยนะรู้ทันแล้วมันหยุดของมันเอง เมื่อไหรใจเลิกกระทำไนั้นก็จะถอดถอนขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเข้าไปทำงานอีกแลอวไหลแวบเข้าไปทำนะส่วนมากนักปฏิบัติจะพลาดตรงนี้เราปล่อยให้มันไหลเข้าไปด้วยความจงใจนะเพราะเราคิดอยากปฏิบัติเราก็ส่งใจให้ไหลเข้าไปทำงานข้างในแล้วเราไปเรียกสะเพราะเลยว่าปฏิบัติความจริงหลงไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันไหลไปมันเริ่มไหลเราเห็นไหลรับสติเกิด ขาดสะบั้นตรงนั้นเลยความปรุงแต่งขาดตรงนั้นเลยความรู้สึกตัวเกิดตรงนั้นเลยความตั้งมั่นเกิดขึ้นมาแล้จะเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงตรงนั้นเลยอ่าเดี๋ยวสอนคุณหมอแล้วคนอื่นงงเอาง่ายง่ายบ้างเนาะรู้สึกยังไงใจตอนนี้กับตอนที่ฟังทีแรกไม่เหมือนกันรู้สึกไหมใจตอนนี้ชักซึมรู้สึกไหมอ่าานข้ามาใหม่ๆมมันก็ฟลอปจะซึมแล้วยังฟังอะไรไม่รู้เรื่ององีกซึม สังเกตไหมความซึมเริ่มหายไปรู้สึกไหมเนี่ยเนี่ยเฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงจิตของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเห็นไหมมันเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะมันมีสิ่งเรามากระทบนะอาตมาพูดสัมมะโวมีสับแสงเนี่ยสิ่งเรานี้ไม่น่าสนใจเลยก็ยชักซึมพอพูดเลยให้มันขับขับนะใจก็ตื่นเต้นขึ้มนมาหรือเรานั่งอยู่เฉยเฉยเนี่ยนะขับรถวันไหนขับรถมาขับรถแล้ก็ขับไปชักจะง่วงง่วงนะ เกิดไปเห็นข้างทางมีรถเท่าชนกันหรืออะไรตื่นตัวขึ้นมาเพราะงั้นจิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มากระทบอย่างเรานั่งรถไปเราเห็นคนข้างถนนเยอะแยะเฉยๆไม่มีความหมายเนี่ยสิ่งที่มากระทบไม่มีน้ำหนักเกิดหันไปเห็นศัตรูคู่อาฆาตยืนอยู่ข้างถนนความรู้สึกเกิดนะจิตใจเราเปลี่ยนตามการกระทบ หรือหันไปเห็นเพื่อนรักของเราแหมอยากเจอแหมดีใจความดีใจโผล่หรือขับรถยนต์อยู่เนี่ยถูกเขา้าปาดหน้าโมโหเกิดดูไปอีกทีเอ้ามันเพื่อนเรากําลังอยากเจอดีใจเห็นไหมความรู้สึกเราเปลี่ยนเราจะขึ้นรถเมย์ก็ปฏิบัติได้รอรถเมย์รถเมย์ไม่มางุดงิดนะเห็นคนเยอะก็ชักลาคานกะลัวจะขึ้นไม่ได้เห็นรถเมย์ว่างๆมาดีใจรถเมย์ว่างไม่ยอมจอดก็มโมโห รถเมล์ที่มันว่างก็เพราะมันไม่ค่อยจอดมันถึงว่างเห็นมการปฏิบัติเราทําอยู่ในชีวิตจริงๆแต่ตั้งแต่ตื่นเลยนะพวกนักเรียนพวกนักศึกษาพวกข้าราชการเนี่ยตื่นมาวันจันทร์ใจแห้งแล้งเลยเห็นไตื่นมันสุขไหมมันสุขสมชื่อเห็นไหมนี่ความรู้สึกของเราตื่นนอนปุ๊บนึกได้วันจันทร์นี้ใจแห้งเลยรู้ว่าใจมันแห้ง ตื่นมาวันศุกร์ก็รู้ว่าใจมันสดชื่นคนทั่วๆไปเขาก็รู้เหมือนกันแต่เขาละเลยพอ ต, ตื่นมาวันศุกร์เนี่ยแทนที่จะรู้ว่ากำลังสดชื่นเขาไปคิดละเย็นนี้จะไปเที่ยวไหนจะนัดใครอย่างโย่ก็จะนัดสาวคนไหนดีวันนี้นะเนีย่ยหลงไปอนาคตหลงไปอดีตไม่รู้ว่ากำลังรู้สึกอย่างไงหรือทานข้าวก็ปฏิบัติได้นะเห็นกับข้าวอย่างนีถูกใจทั้งหมดเลย ใจมันพอใจขึ้มารู้ว่ามันพอใจวันนี้เจอแต่ของแม่อร่อยใจมันหงุดหงิดมันเบื่อมันเซ็งเ ข, ข้ารู้ลงไปรู้ลงไปตรงๆเห็นไมหลวงพ่อไม่ได้บอกให้ปิดหูปิดตาเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาดูเปิดขึ้นมาฟังปล่อยให้ใจมันทํางานแล้วคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ยากัหมไม่ยากแต่ไม่อยากทานะไม่ค่อยมีคนทาอ่ะ รู้สึกมันไม่ค่อยโก้เนี่ยถ้าให้ไปวัดแล้วไปนั่งนั่งโต้รุ่งได้แล้วมันภูมิใจนะเดินโต้รุ่งได้ภูมิใจอย่างเงี้ยใจลอยรู้จักไหมอืมเนี่ยหัดรู้จักอย่างเงี้ยนะรู้จักไหมใจลอยเออนะรู้จักนีนน่หัดไปหัดไปอย่างเงี้ย เคยรู้ความรู้สึกของเราที่เปลี่ยนแปลงถ้าเราใจลอยเราก็รู้สึกไม่ได้ใจลอยแล้วเป็นความรู้สึกมันมีแต่เราไม่รู้มันเนี่ยเราต่างกับชาวบ้านเขานิดเดียวผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยมีความต่างกันไม่มากหรอกผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยตาเขาเห็นรูปผู้ปฏิบัติก็เห็นรูปเหมือนกันหรือผู้ปฏิบัติถูกเขาดา่าก็โกรธเหมือนกับผู้ไม่ปฏิบัตินั่นแหละ ความต่างมันอยู่ที่พอเราโกรธเรารู้ว่าโกรธเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจเกิดแล้วหายไปจะหายหรือไม่หายก็อย่าไปลุ้นมันน ะ, ะเวลาดูห้ามลุ้นเมืม่อไหร่จะหายอย่างความโกรธเกิดขึ้นเราไปดูมันเนะี่ยดูไปดูว่าเออเมื่อไหร่มันจะอยู่ถึงเมื่อไหร่ก็ดูไปอย่าไปอยากให้หา ย, า ย, ายโอ้อยังไงมันก็หายเพราะมันของเกิดดับนะไม่ต้องลุ้นมันก็หาย ยิ่งอยากให้หายยิ่งไม่หายอย่างความโกรธเกิดขึ้นเราไปจ้องเมื่อไหร่จะหายเนี่ยไม่หายหรอกเพราะอะไรเพราะเรามีความโกรธอยู่เรากําลังโกรธไอความโกรธตัวเก่าอะ่ะกําลังมีโทสะต่อโทสะตัวเก่าแล้วเรายัางรู้ไม่เต็นถ้าเมื่อไหร่สติที่ถูกต้องเกิดขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาความโกรธจะมีไม่ได้เด็ดขาดกิเลสกับสติเกิดพร้อมกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีความโกรธแล้วเราไปดูระบอกรู้อยู่ค่าว่ากําลังโกรธรู้ตัวเลยนะนั่นไม่ใช่รู้ที่แท้จริงนั้นรู้จอมปลอมรู้แกล้งรู้ไอแกล้งรู้ไม่ใช่รู้จริงๆริงรู้จริงๆเนี่ยไม่เจตนาจะรู้<ม>ไงคุณหมอตื่นตืนนะตื่นขึ้นมามเข้าใจไหม <c oughs> ใจลอยรู้จับไหม เออนี่เราดูเขาแล้วเรอลืมตัวเองรู้ไหมเออเนี่ยหัดอย่างเนี้ยนะกรรมฐ า, านาต้องหัดในชีวิตจริงๆนะไม่ใช่หัดเฉพาะตอนเข้าคอร์สนะใครเคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจัดคอร์สมั้งไหมมีแต่ท่านอ้างมาเรียนมานั่งฟังพิสูุ5 0ห้าร้อยรูปมานั่งฟังฟังฟังเข้าใจไม่เข้าใจใครสงสัยถาม พอเข้าใจแล้วอ่ะนู่นคนไม้นูน่ น, นเลือนว่างไปไปคนเดียวไปต่างคนต่างทำนะบางคนชอบมาถามในที่นี่ทําไมไม่จัดคอร์สบเราพุทธเจ้าท่านไม่เคยจัดนี่รถ้าท่านจัดก็จะจัดบ้างหรอกนี่ท่านนมาสอนสอนสอ น, สอนอะเรียนเสร็จแล้วท่านก็ไล่แนละ้วต่างคนต่างไปทําเอาเองใครทําใครได้นะใครไม่ทํำก็ไม่มีประโยชน์อะไรแค่มาฟังแล้วก็เหมือนมาฟังคอนเสิร์ตเลย ฟังแล้วสบายใจกับบ้านแมมีความสุขอิ่มบุญโอ้ยบุญอย่างนั้นยังไม่มีปัญญานะบุญชนิดไหนที่ประกอบด้วยปัญญาถึางจะเป็นบุญใหญ่บุญเล็กบุญน้อยไม่ประกอบด้วยปัญญาแค่สบายใจเห็นไหมใจหนีไปแนละ้วทราบไหมบุญเสื้อแดงรู้จักอะไรใช่ไหมใจมันหนีไปนี่หัดอย่างเนี้ยใจเราหนีทั้งวันนะ ในโลกนี้แทบไม่มีคนเคยรู้สึกตัวเลยมีแต่คนฝันฝันทั้งๆที่ตื่นจยฝันแล้วเห็นไหมฟังธรรมะไปคิดตําจริงจริงจะฝันอยู่ฝันว่าจริงนะตื่นตื่นใช่ยังไม่ตื่นนะยังไม่เลิกคิดนะต้องตื่นขึ้นมาจริงจริงไงพลุเรียนไหมพรุ เมื่อวานมีเด็กแปดขวบคนนะโ่มภาวนาเก่งมันนั่งเนะใจลอยรู้จักใจลอยไหมเมื่อกี้นี้ใจลอยเห็นนะว่าแปดขวบอยเางอทำอะไรอยู่ตอนนี้จิตทำอะไรรู้ทันเมื่อคิดแล้วเลิกซะนะแล้วรู้สึกตัวขึ้นมานแอบไปอีกแล้วรู้ไหม นีให้รู้ทันมันมันเคลื่อนไปนะเนี่ยหลวงปู่ดูลเรกจิตส่งนอกหลวงปู่เทพท่านแยกมีส่งนอกกับส่งในหลวงปู่ดูลหม่าว่าส่งนอกหมดเลยคือออกไปนอกจากความรู้สึกตัวหลวงปู่เทพเนี่ยถ้าไปดูคนอื่นเนี่ยเรกส่งนอกถ้าหลงก็ไปข้างในเรกส่งในี่ยถ้าดูให้ดีน้ำตอนออกข้างนอกไม่มีกิเลสหรอกจิตที่ตาเห็นรูปเนี่ยขนาดที่เห็นไม่มีกิเลสหรอกกิเลสเกิดทีหลัง กิเลสเกิดตอนมาทางานข้างในเนี่ยเข้าไปทำงานข้างในอย่างเนี้ยพอไปคิดดีก็สบายใจคิดร้ายก็กิเลสเกิดเห็นไหมเข้าไปอีกแล้วทราบไหม <c oughs> เป็นไงบ้างมาหลายทีแล้วรู้เรื่องอยังเคยรู้สภาวะนะ ห, หัดดูสภาวะนะคือเราจะทำวิปัสนาเนี่ย เราต้องรู้สภาวะให้ได้นี่เงื่อนไขของการรู้สภาวะก็คือต้องรู้สึกตัวถ้าเผลออยู่ก็รู้สภาวะไม่ได้นี่พอเรารู้สภาวะแล้วหลังจากนั้นต้องรู้หลักของการทำมิปัสสนาต้องรู้ให้เป็นคือรู้ตามที่มันเป็นอย่าเข้าไปแทรกแซงอย่าถล่าลงไปรู้นี่ใจตั้งมั่นค่อยๆเรียนไปนะฟังยากนิดนึงแต่ทนทนฟังเดี๋ยวก็รู้เรื่อง บางคนทนยี่สิบปีเขารู้เรื่องนะบางคนไม่นานอย่างอาจารย์สุรวัตรนี่ไม่นานรู้เรื่องอาจารย์สุวัตรเรียนแปดเดือนหนึ่งหรือเอกนะลืมชื่อละชื่อหนึ่งหรือชื่อเอกอะไรนะหนึ่งนะเออเป็นไงทําน้อยลงยังตั้งท่าน้อยลงยังยังตั้งท่าอยู่ไหม เออรู้สู้ให้ทันนะไม่งั้นเราจะตั้งไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ตั้งน้อยลงแล้วแต่ก่อนนี้ตั้งสักแข็งเลยนึกภาพออกไม่เคยดูหนังสมูรไรไหมก่อนมันจะฟันกัน อ, อ่ะมันยืนตัวแข็งเลยมันคงกลัวไม่กล้ากระดิกระดิก <c oughs> ของเราก็เหมือนกันเรากลัวกิเลสนะเตรียมจ่อสู้เอาตายเอาเป็นเอาตายห <c oughs> ลงนะอย่างนี้ก็เรียกว่าหลง รู้ไหมยังคิดไม่เลิกซาหารนะเริกคิดมันไปเลยรู้สึกตัวขึ้นมารู้ไหมว่าเริ่มไปบังคับใจแล้บังคับใจให้นิ่งรู้ไหมรู้ทันว่าไปบังคับใจให้นิ่งเนี่ยคอยรู้ทันพฤติกรรมของจิตไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีอะไรยากเลยเป็นไงบ้างคุณมาหลายทีแล้วนะค่อยๆรู้สึกเรื่อยๆนะดีขึ้นเอยอะล้ ค่อยตื่นขึ้นมาลนะตื่นยากนาะกว่าจะตื่นแต่ละคนเนี่ยยากมากเลยส่วนมากชอบฝันนะเนี่ยฝันอีกแล้วเห็นไหมหนีไปฝันต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยไม่มีคนตื่นนะในโลกอะ่ะมีแต่คนฝันเนี่ยฝันแล้วรู้ไหมฝันคือไปคิดเอาอะ่ะไปอยู่ในโลกของความคิดโลกของความฝันโลกของจินตนาการไม่ได้อยู่กับโลกของความจริงของการรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจน แทนที่จะรู้กายรู้ใจที่เป็นของจริงเราก็ไปคิดรู้แต่ความคิดรู้เรื่องที่คิดอ่าเป็นความรู้ที่แค่จินตามะยะปัญญาปัญญ า, าเกิดจากการคิดคิดแล้วมีความสุขใช่ไหมคิดธรรมะ <c oughs> ก็ได้แค่นั้นในความสุขง่านั่งคิดธรรมะไปนะก็เป็นธรรมานุสติทําแล้วจิตใจสงบสบายได้แค่นั้น อยากบรรลุมรรคผลต้องเห็นสภาวะคิดไม่ได้แต่ใจแอบไปคิดรู้ทันว่ามมนแอบไปคิดเนี่ยเห็นสภาวะเห็นไมแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมยากไหมมันไม่ยากที่จริงมันไม่ยากถ้าเราไม่ไปตั้งความคาดหวังตั้งมาตรฐานไว้ก่อนมันจะต้องไม่เผลอจะต้องไม่คิดถ้าไปคิดว่าเราจะต้องไม่เผลอเลยแลยยากที่สุดเลย เราไม่มีใครทําได้หรอกเนื่นองจากจิตมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้พอครั้งแรกมาเรียนอ่าเนี่ยคอยรู้สึกไปเรื่อยนะรู้ความเปลี่ยนแปลงไปทนทนฟังไปบางทีอย่างพวกเรียนอะพิธามเนี่ยอาจารย์สุจินย์จะยา้ำอย่าเพิ่งปฏิบัตินะอย่าขยันอย่าเพิ่งปฏิบัติฟังให้เข้าใจก่อนฟังจนกระทั่งสติมันเกิดอะ่ะต้องฟังไปจนสติมันเกิดมันเกิดเอง มันเกิดรู้สึกขึ้นมาไม่ใช่ไปแกล้งทําขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยมันเผลออีกแล้วดูออกไหมเนี่ยเราต้องฟังกันอ้อมันเผลอเป็นอย่างนี้เองอะนะไปนั่งเพ่งเอาไว้ไปเป็นอย่างนี้เองนะสองตัวใหญ่ๆที่ผิดกันเยอะนั่งเพ่งนั่งบังคับนั่งตรึงแต่ยังทําอยู่นะอย่าไปบังคับมันปล่อยมันไปสงสารมันปล่อยมันไปเอามันไว้มันลําบากนะ จหนีไปทราบไหมรู้ทันว่ามัน ไ, ลไหลไปไม่ห้ามไม่ห้ามแค่รู้ตามที่เป็นนะเนี่ยเข้าไปสังเกตรู้ว่ามันเข้าไปสังเกตไม่ต้องรอให้มันไปสังเกตแล้วจนไปเจออะไรอย่างหนึ่งแล้วไปนั่งดูอันั้นหลงไปแล้วมันหลงไปตั้งแต่เริ่มสังเกตแล้วจิตเกิดตัณหาอยากปฏิบัติแล้วก็ส่งจิตเข้าไปข้างในเที่ยวไปกวานกวนอยู่ข้างในว่าจะดูอะไรดีนี่หลงตลอดสายเลย ส่วนมากเราจะรอให้มันกวนจะไปเจออะไรแล้วไปนั่งดูวันนั้นจะดูเกิดดับควาจริงหลงไปแล้วลำโพงมันไม่เลิกเหลือนิดนึงดูออกไหมเอออ๋ อ, องั้นใช้ได้อยู่ตรงนี้มันตื่นเต้นแล้วมันนั่งทางนี้าหายเจ้วกล้องนะเจ้ากล้องใหม่กล้องทับนั่งเลยหันหน้าเชิญญาติโยม เนี่ยหนีไปละเห็นไหมพอดูออกใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมหนีอีกแว บ, บหนึ่งตัวออกไหมจิตไปหานะรู้ว่าไปหาคุณมันเข้าไปจ้องข้างในทราบไหมอย่างนี้เรียกว่าส่งจิตเข้าไปข้างในนะการดูจิตเราไม่ได้ดูอย่างนี้นะอย่างนี้เราส่งจิตเข้าไปข้างในแล้วเราส่งจิตไปดูเราไม่ได้ดูจิต จิตที่ตั้งมัน่นจิตที่รู้สึกตัวเนี่ยไม่อยู่ข้างนอกไม่อยู่ข้างในนะเป็นกลางกลางไม่ได้อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นไม่ต้องส่งเข้าไปหาข้างในแล้วเอาจิตไปดูข้างในนะมันไม่ใช่ว่าเราไปดูจิตหรอก เป็นคนละขนาดกันขนาดที่หลงคิดเนี่ยจิตกําลังมี็นอกุศลจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่ขนาดที่รู้ว่าเมื่อกี้คิดเนี่ยอีกการหนึ่งสังเกตให้ดีนะคนละนั้นแต่ว่ามันสลับกันเร็วเราก็เลยนึกว่าเอ๊ะเผลอไปรู้ไปได้จริงไม่ได้หรอกถ้าสติปัญญาสัมมาสมาธิเราตั้งมั่นพอเราจะเห็นว่ามันขาดช่วงตอนที่เผลอเนี่ยเผ ล, ลอเผลอเอไป พอที่แล้วก็ขาดวับลงไปนะมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นอันหนึ่งก่อนแล้วก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเกิดจิตที่เป็นกุศลขึ้นมานะไปรู้ว่าเมื่อเกเลียวนะเสร็จแล้วก็จะตกขาดลงไปในช่องว่างเล็กๆอีกอันหนึ่งแล้วก็จะบเสือครั้งใหมนะ่ถ้าดูอย่างตรงนี้ได้เนี่ยเนี่ยตรงนี้เรียกว่าอุทยพ ย, ายาัญญาคือมันไมเหมือนกับว่ามันมีสองอย่างคือคล้ายกับสองอย่างเลย อ, อ, อันเดียวอันเดียว ใช่ใช่ใช่เราเผลออยู่เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเผลอขณะที่รู้ว่าเผลอไม่ได้คิดแนะ้วแต่พอพอรู้ตัวเนี่ยจะรู้ได้แวบเดียวเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นแค่คณิ ก, กาสมาธิอยู่ชั่วขณะเท่านั้นนะถัดจานั้นจะเริ่มเผลอต่อคิดต่อถ้เกิดว่าจริงๆแล้วมันคือสิ่งเดียวกันเราจะทราเรื่องไหนะครับว่าว่าตอนนี้เราคิดอะไรถ้าเราไม่อยู่ชิดเวลากําลังเผลอเนี่ยเรารู้เรื่องที่คิดได้นะ เวลาเผลอเนี่ยเรารู้เรื่องที่คิดได้เวลาเราคิดแล้วเรารู้เรื่องที่คิดนะั่นแหะรู้ไว้เลยเผลอแต่ว่าถือว่ามีสมาธิแบบโลกโลกนะเวลาเราทํางานเราคิดเรื่องงานเรารู้เรื่องที่คิดแต่เราไม่รู้กายรู้ใจนึกออกไหมคําว่าเผลอในทางศาสนาพุทธก็คือไม่สามารถจะรู้กายรู้ใจได้ที่เรียกว่าเผลอนิยามไม่เหมือนกันนะอย่างบางคนเผลอหมายถึงใจลอยคิดอะไรก็ไม่รู้ถึงจะเรียกว่าเผลอ ถ้าคิดเรารู้เรื่องที่คิดไม่เรียกว่าเผลอไอ้นี่มาตรฐานแบบโลกโลกแต่ในทางธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อไหรไม่สามารถรู้กายไม่สามารถรู้ใจอันใดหนึ่งนะไม่สามารถรู้ได้ไม่นันบว่าเผลอเพราะฉะนั้นขณะที่เราคิดเรารู้เรื่องที่คิดเนี่ยเราไม่รู้กายรู้ใจหรอกเพราะจิตเนรู้อารมณ์ได้ครั้งและอย่างเดียวเราไปรู้เรื่องที่คิดในจิตไปรู้สมมุติบัญญัติจิตจะรู้สภาวะคือรู้กายรู้ใจไม่ได้ คนละเรื่องกันนะถ้าตั้งใจจะคิดก็ต้องไปคิดให้รู้เรื่องมีสมาธิในการคิดจดจ อ, อกอับการคิดหาเหตุหาผลเวลาทำงานเวลาเรียนหนังสือต้องฟังให้รู้เรื่องต้องคิดให้รู้เรื่องอย่างอาจารย์เลคเชอร์ให้ฟังต้องฟังให้รู้เรื่องนะอย่าสักว่าฟังนะสับตกแน่นอนเลยดูหนันงสืออ่านหนังสือจะสอบเนี่ยสักว่าดูสักว่าดูก็ไม่รู้เรื่องอคนละอย่างกันแยกส่วนนะ ถ้าจะทํางานที่ใช้ความคิดอย่างจะเรียนหนังสือจะทํางานที่ใช้ความคิดแยกไปจเจริญสติไม่ได้แต่ถ้าทํางานที่ใช้กําลังกายรดต้นไม้กวาดบ้านถูบ้า น, านขับรถยนต์อะไรเงี้ยรู้สึกตัวได้เหมนี่เมื่อกี้ฟังอาจารย์ได้ฟังเนครับแล้วก็ผมก็คิดตามอ่ามันต้องคิดตามใครได้ยังไมใช่ใช่ใชเพ้เ อ, อ, เอไปคิดแต่ว่าวตอนเนี้ย ทำหน้าที่นั้นถูกต้องแล้วเพราะขณะนี้ฟังในเชิงปริยัตเวลาฟังเชิงปริยัติคือฟังให้รู้เรื่องเวลาจะฟังเชิงปฏิบัติก็คือพอฟังแล้วพอใจไหลวิคิดรูั่วไหลไปคิ ด, ไไคดแต่จะฟังไม่รู้เรื่องคนละส่วนกันแต่จะเห็นความเกิดดับเห็นว่าเ อ, อเดี๋ยวจิตฟังก็เกิดขึ้นเดี๋ยวจิตดูก็เกิดขึ้นเดี๋ยวจิตรู้ก็เกิดขึ้นเห็นจิตเกิดดับเกิดดับไม่ใช่ตัวเดียวกัน จิตที่เผลอและจิตที่รู้ก็ไม่ใช่ตัวเดียวกันตอนนี้เรารู้สึกเหมือนมีตัวเดียวนี้แหละแต่ทํางานหลายอย่างตัวเนี้ยวิ่งไปทางตาตัวนี้วิ่งไปทางหูตัวนี้วิ่งไปคิดนะตัวเดิมวิ่งไปวิ่งมาจริงไม่ใช่หรอกนะฝึกมากๆเขเห็นเลยว่ามันคนละตัวมันขาดเป็นช่วงๆแต่ตอนนี้เรารู้สึกเมียนเดียวว่าสันตติคือความสืกเนื่องมันบังเราไว้เราไม่เห็นว่ามันเกิดดับเนี่ยเห็นไหมหลงไปละ เนี่ยคิตที่รู้สึกตัวเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกไหมโล่งๆเบิกบานเบาๆเหมือนก็ตื่นขึ้นมาจริงๆอ่ะเนี่ยฝันต่อแล้วรู้ไหมเราตื่นได้ชั่วขณะรู้ไหมทำไมถึงตื่นได้ชั่วขณะเพราะมันเป็นธรรมชาติของเราได้แค่นี้เพราะเราไม่ใช่พระอนาคามิงยโยลุ่มใจมากไหมเป็นไงบ้างคุณมาฟังหลายทีรู้เรื่องอยัง อเคเลยนะเนี่ยรู้ไปนะรู้ความรู้สึกของเรามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนแล้มาผู้รู้นั่นแหละจิตคือจิตเนี่ยนะจิตเนี่ยคำว่านิยามของคาว่าจิตก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะ ฉะนั้นจิตนี้เป็นคนไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งตัวจิตเองจิตเองมีสองสถานะอันหนึ่งเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้อันหนึ่งเป็นผู้รู้อารมณ์อย่างจิตโกรธเนี่ยจิตขนะนั้นไปรู้ความโกรธหรือไปรู้อารมณ์บัญญัติเรื่องความโกรธคือไปคิดถึงคนที่เกลียดแล้วจิตก็เกิดความโกรธจิตอีกดวงหนึ่งไปรู้ว่าจิตตะกี้โกรธเห็นจิตดวงแรกมันไปคิดถึงคนที่โกรธนี่ไปรู้อารมณ์ การคิดถึงคนที่โกรธนั่นนะเป็นอารมณ์ตัวที่สองเอาให้จิตตัวแรกออกมาเป็นอารมณ์รู้ว่าจิตตัวนั้นมั น, น, มนโกรธเพราะงั้นจะรู้ตามตลอดสัง เ, เกตดูพระพุทธเจ้าใช้คําว่าตามรู้ฉันบอกว่าจิตตามอนุปัสนาคือจิตอนุปัสนาปัสนาคือการรู้อนุเปอตามตามรู้ตามเห็นจิตอยู่เนืองเนืองตามรู้ตามเห็นเมตนาเนืองเนือง ตามรู้ตามเห็นกายอยู่นึงนึงไม่ใช่ดักไว้ก่อนแต่ต้องตามรู้เพราะฉะนั้นอย่างคุณหมอจะเดินจงกรมใช่ไหม <c oughs> เริ่มตั้งท่าเนี่ยดักไว้แล้วรอดูว่าเมื่อไหร่มันจะเดิน <c oughs> ดักไว้ก่อนอ่เริ่มเดินนี่ฉันดูตลอดเลยนะนี่ฉันดูอยู่นี่เ <c oughs> นี่ยไม่ใช่ตามรู้ถ้าตามรู้เนี่ยอย่างเงี้ยน้ยรูปมันไหวเห็นไหมรูปมันไหวเนี่ยเรียกว่าตามรู้ไม่เหมือนกันนะฉนั้นตั้งใจรู้กับตามรู้ไม่เหมือนกัน ตั้งใจรู้มันเจือด้วยตัณหาตามรู้ไม่ได้เจตนาจะรู้สรุปว่าการทำมิปัสนานะต้องรู้กายรู้ใจออ<ม>ครับก่อนมีคนมาเรียนเขาฟังอยู่จนสิบโมงเลย<ม>เอาเลิกละคลานทุบๆเข้ามาผมเข้าใจแล้ววิธีปฏิบัติง่ายมากเลยถ้าผมออกจากศาลาไปได้กลิ่นดอกไม้หอมผมรู้ว่าดอกไม้หอ ม, ม ผมรู้ถูกอย่างนี้แหละรู้ถูกแล้วถามว่าถูกไห ม, <c oughs> อมเออได้กลิ่นดอกไม้หอมรู้ว่าดอกไม้หอมเนี่ยรู้ถูกหรือยังอ้าวต้องมีเหตุผลประกอบแล้วไม่ถูกเพราะอะไร ร, รู้ว่าหอมก็ใช้ไม่ได้หรือไหมเพราะหอมไม่ใช่กายไม่ใช่ใจของเราคือรู้ว่าได้กลิ่นก็ยังแค่นั้นนะอ่ะยังไม่ลึกซึ้ง น, นะ ต่อไปต่อไปนี้นะพอได้ ก, กลิ่นดอกไม้หอมใจมันชอบรู้ว่าชอบเนี่ยรู้เข้ามาที่ใจนะรู้กายรู้ใจไว้มือเอื้อมไปจะเด็ดดอกไม้แนละ้วเห็นรูปมันเคลื่อนไปเนี่ยอย่างนี้ใช้ได้นะเพราะงั้นวิปัสสนาต้องรู้กายรู้ใจนะอีกคนหนึ่งผู้ผู้ใหญ่หนะ่อยคนนี้อายุเยอะแล้วบอกดิฉันเข้าใจแนละ้ดิฉันเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมบอกโอ้คนไม่ปฏิบัติเขาก็รู้นะ ได้กลิ่นดอกไม้หอมรู้ว่าดอกไม้หอมคนไม่ปฏิบัติเขาก็รู้เห็นไหมใครๆก็รู้ดอกไม้หอมอะ่ะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นดอกไม้หอมใจมันยินดีขึ้นมารู้ทันไปได้กลิ่นเหม็นๆคล้ายๆศพนอนอยู่คนเดียวด้วยมืดๆ ด, ด้วยโอใจกลัวขึ้นมารู้ว่ากลัวไม่ต้องรู้ว่าเหม็นนะหอมกมับเหม็นไม่มีประะมั์ให้รู้ที่กายที่ใจนะ เพราะฉะนั้นตาเห็นรูปจิตใจของเราเกิดความรู้สึกอะไรรู้ทันมันอย่างหนุ่มๆเห็นสาวสวยใจเกิดราคะรู้ว่ามีราคะไม่ใช่รู้ว่าสาวสวยนะเห็นศัตรูเดินมาเกลียดมันรู้ว่าเกลียดไม่ใช่รู้ว่าไอเนี่ยชื่อนี้ชื่อนี้ตาหูจมูกลิ้นแต่ลิ้นกระทบรสจิตใจยินดียินร้ายขึ้นมาก็รู้ทันไม่ใช่ลิ้นกระทบรสรู้ว่าหวาน อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะรู้ว่ามีปฏิกิริยาใช้ได้แล้ะเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ต้องใส่ป้ายยี่ห้อให้มันนะเลเบลไม่สำคัญรู้ตามหลังแต่ต้องตามแบบติดๆนะไม่ใช่ไปด่าเพื่อนโกรธเพื่อนเมื่อกลางวันเย็นนี้มันนึกได้อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะต้องรู้แบบไม่มีอารมณ์อื่นมาขั้นนะเช่นโกรธ พบแล้วเกิดรู้ว่าโกรธเนี่ยอย่างนี้ใช้ได้เวาลุกตามหลัง ร, รู้แล้วเขาจะหยุดนะเขาหยุดเขาเองเพราะความจริงเขาหยุดไปแล้วทันทีที่เกิดสติอกุศลจะมีไม่ได้นะไม่งั้นเราจะงงว่าเอ๊ะโกรธอยู่แล้วก็รู้อยู่นะทําไมไม่หายโกรธตําราถ้าจะผิดละมั่งสติกับกิเลสเกิดพร้อมกันตําราไม่ผิดหรอกแต่เรายังดูไม่ถูกที่แ้ว่า หาห้ น, นี่สติจ ะ, ะระลึกดูได้ต้องรู้สึกตัวใช่ไหมคือการมีสติไปะระลึกรู้สภาวะได้นี่เป็นการเจริญปัญญาก่อนเจริญปัญญาจิตต้องตั้งมั่นจิตตั้งมั่นหมายถึงจิตอยู่กับเนื้อกับตัวไม่เผลอนะเพราะฉะนั้นอย่างการที่คุณนั่งเพ่งนั่งจ้องห้าข้างในนี่เป็นการเพ่งนะเป็นการรอดูว่าเมื่อไหร่จะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ถูกนะปรับตรงนี้นิดนึง เนี่ยอย่าเตียถลำไปคิดมันไปคิดรู้ว่ามันไปคิดแล้วใจเราจะได้ไม่ถลำไปใจจะตั้งมั่นแล้วรู้สึกตัวทันทีที่รู้สึกตัวแล้วรู้กายเนี่ยกายยังไม่ใช่เราในทันทีนั้นเลยทุกคนด้วยนะเพราะอะไรเพราะกายนี้เห็นง่ายว่าไม่ใช่เราแต่ทันทีที่รู้สึกตัวแล้วไปรู้จิตเนี่ยยังดูยากว่าจิตไม่ใช่เรานยะเพราะมันคุ้นเคยที่จะเป็นเราเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไหอย่างี้ เนคุ้นเคยในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งนะวันไหนเป็นพระโสดาตัวนี้ไม่มีนะขาดไปไม่มีอีกแล้วนี่บางคนมาถามบอกว่าทํายังไงจะละอัตตาตัวตนไดนะ้บอกละไม่ได้อัตตาตัวตนละไม่ได้เพราะไม่มีอัตตาตัวตนไม่มีเลยไม่ต้องละให้ละความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตน ทำไมความเห็นผิดมันเกิดยังไงอ่ะมันเกิดตอนไปคิดเอาสิมันรู้สึกตัวขึ้นมาไม่คิดสิกายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราก็มีแค่นี้เองไม่ต้องละนะตาตัวตว น, นไม่มีมันเกิดจากความคิดทั้งนั้นเลยต้องมีในไหมต้องอืออ้ามีแล้วพูดเลย คือมันมั น, มนปฏิจจสุบาร์ดดออกหมมีวงหลายรอบและใน12ขั้น่ะมีทั้งส่วนที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตใช่ไหมแล้วมันจะซ้อนซ้อนกันอยู่งั้นในขณะัน้นเราเห็นอัตราตัวตนขึ้นนิดหนึ่งแล้วค่อยไปทำงานอค่ อ, คอยไปโจนไปยึดยยึดแล้วก็มีัตาตัวตนอีก ควจริงเนี่ยอาอารย์ตัวตัวแรกก็มีเหตุให้เกิดมาลแล้ะคือความจงใจที่จะไปดูความเจตนาโลภะเจตนาที่จะเอาวิญญาณอย่างลงไปรู้รูปรู้นามนั่นแหละเมื่อไรมีวิญญาณอย่างลงไปใช่ไหมนั่ตัวตนก็เกิดเฮ้ยไม่ใช่ต้องปรุงไปแล้วปรุงปรุงไปครบรอบไปหนึ่งรอบแล้ว นี่คือตัวทุกข์ซึ่งเป็นผลจากอดีตชาติ ต, ต, ต, ตัวตัวอาตาตัวตนปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้า น, นี้มันทำงานมาแล้วจนตัวนี้เป็นตัวทุกข์ขึ้นมา่ะไอ้อาตาตัวตนนี้ก็เป็นปัญญาขั้นหนึ่งมันเกิดเองเราทำไม่ได้ เราทำไม่ได้เพราะทำทั้งกวงเป็นอนัตตาแล้วเราจะสดชื่นอยู่ช่วงมีความสุขเนี่ยเรากำลังมีโทสะอยู่ คุณหมอก็ระวังอย่าไปยึดความไม่ยึดนะอย่าไปอยากให้จิตไม่นยึดถ้าอยากให้จิตมันไม่ยึดมันเป็นกิเลสี่ตัวตนั่นมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่พร้อมกันน่ะนะนี่เราเคยชินที่จะไปรู้ลม แนะพอเราเผลอเผลอเรารู้ตัวว่าเผลอในขณะนั้นเรารู้ถูกต้องแนละ้วถัดจากนั้นอีกนิดหนึ่งเนี่ยเราก็ไปจับลมเพราะความเคยชินจิตเคยชินที่จะจับลมจิตก็ไหลไปจับลมจิตเคยชินจะโกรธมันก็โกรธบ่อยเคยชินที่จะโลภก็โลภ บ, บ่อยเคยชินจะไปเกาะลมก็ไปเกาะ บ, บ่อยแต่พอจับลมได้แล้วก็ปล่อยลมเข้าแล้วออกบ่อยลมเล่นยากนะกรรมฐานอานาประสติเป็นกรรมฐานที่เล่นยากมากเลย พราะงั้นอารมเป็นสื่อเป็นตัวล่อกขาพอล้นะเห็นลมดูไปเรื่อยๆหายใจไปเรื่อยๆแล้วใจของเราเนี้ยมีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงนะอาจจะสบายใจรู้ว่าสบายใจเนะี่ยหายใจไปเรื่อยๆใจกระสับกระส่ายรู้ว่ากระสับกระส่ายนะคือถ้าจะทําอนาปนสติให้เป็นมิปัสนานะี่ยากมากเลยส่วนมากเขาใช้อานาปนสติให้ได้ฌานแล้วไปทํามิปรสนาต่อ แลราปลอารู้รลมันจะไหล่ปเ่อยๆมี้วรไม่ควรละไม่ต้องละเพราะจิตจะต้องรู้อารมณ์อยู่แล้วถ้ามันชอบรู้ลมหายใจก็ให้มันรู้ไปแต่รู้ลมหายใจเพื่อจะสังเกตจิตจับหลักให้แม่นนะไม่ใช่รู้ลมเพื่อจะรู้ลมไม่ใช่รู้ลมเพื่อจะสงบจําตรงนี้ได้ไหมไม่ใช่รู้ลมเพื่อจะรู้ลมหมายรู้ไปเรื่อยๆดุยดุไม่ใช่รู้เพื่อให้สงบเนี่ยแต่รู้เพื่อจะอ่านใจตัวเองให้ออก วันนี้หายใจไปใจสบายมีความสุขมีปีติอะไรนะี่คอยรู้ไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าไปหายใจเกาะไว้กับลมเพื่อจะไม่อยากไปรู้อารมณ์อื่นอันนี้ทาด้วยกิเลสแล้วนะทามิปัสจานาไม่ได้หรอกอ่าก็หยับเพลินก็นแล้วกัน นะหายใจไปแล้วมักเพลินอย่าให้มันเพลินหายใจไปแล้วก็คอยรู้สึกความเปลี่ยนแปลงในใจเราคอยรู้สึกไปเรื่อยๆนะมันเป็นยังไงเพียนเกินไปคือความเพียรชอบหรือสัมมาวายามะเนี่ยนะคือเมื่อไรเกิดสติเมื่อนั้นเกิดความเพียนเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียน อันนั้นรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่นะเอาปัจจุบันเลยเพราะจริงๆแล้วทั้งหมดมันก็แค่อารมณ์ตัวนหนึ่งเท่า น, นั้นเองอย่างเราเดินจงกรมเราก็เอากายเอารูปเป็นอารมณ์ใช่ไหมเราดูจิตแล้วก็เอานามเป็นอารมณ์เนี่ยทนะีนี้เรายังไงจิตก็ต้องมีอารมณ์ก็เอาอารมณ์ันนี้ก็ได้ไม่เป็นไร แต่ว่าอย่างเดินแล้วเนี่ยก็คอยดูจิตเองแหละคือเรารู้กายเพื่อจะมารู้จิตะหลวงปู่มั่นสอนอยรู้กายเพื่อจะรู้จิตรู้จิตเพื่อจะรู้จิตให้ยิ่งขึ้นไปอีกเจอกระทั่งรู้แจ้งรู้จริงรู้แจ้งรู้ปล่อยวางรู้เรื่อยๆรู้บ่อยๆนรู้บ่อยๆอย่าไปสร้างมันขึ้นมาถ้าสร้างขึ้นมาก็รู้ว่ามีโลภะเกิดขึ้น ไม่ดีนะอนั้นไม่ดีทีนี้ผรู้ไม่ไดีีเราอไม่เใจเ้ใจ ม, ใจมนไม่ิีกทางหใช่ใช่รรอ่อ า, าอมันสบายกว่า น, นะา ค, าคือเดินไปเดินไปเรื่อยๆนะแล้วก็ความรู้สึกยังไงมันเปลี่ยนเนี่ยรู้ความรู้สึกของเราไว้นะไม่อย่ยไปรู้กระทบเลยนะกระทบไม่มีอัตตาตัวตนอะไรอยู่แล <ขอ S 2> ้ว ความเป็นเราอยู่ที่กายหรืออยู่ที่ใจแค่นั้นเองแต่รู้ลงมาที่กายที่ใจอย่างเราไปรู้อย่างบางคนเรียนเยอะไปไปเดินแล้วก็พื้นมันแข็งหรือว่าแข็งเนี่ยพื้นมีธาตุดินมากเนี่ยนี่โอ้เรียนไกลเกินไปนหรือเวลายกเท้ายืนอยู่เนี่ยธาตุดินเยอะพอยกเท้าเนี่ยมันหย่อนใช่หไหมกล้ามเ น, นื้อหย่อนนี่ธาตุดินลดลงละมันก้าวไปนี่โอ้นี่นี่ธาตุลมกําลังเกิดขึ้นมา ตอนอยันลงไปนี่นะรู้สึกมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากขึ้นนละ้นะนี่ธาตุน้ําเยอะขึ้นแนละ้วตอเหยียบลงเลยแน่นแข็งขึ้นอีกแล้วธาตุดินเพิ่มโอ๊ยเวียนอย่างนี้ประสาทกินมันดูไม่ไหวงนะั้นธ า, าตุกรรมฐ า, านจริงๆก็เล่นยากนะนะบางคนบอกเล่นรูปเล่นง่ายรูปดูยากนะตั้มรู้จักกระลาบไหมอ๋อจะเห็นแต่ละกระลาบเกิดดับอะ่ะ มันไม่ไหวหรอกประส า, าทกินตบเระะาเพราะงั้นรู้อยู่ที่ใจอันเดียวพอละก็รู้ว่าจิตไปเผลอไงคือรู้ว่าตอนนี้จิตเป็นยังไงก็ใช้ได้แล้วอารมณ์เนี้ยไออารมณ์หายใจก็มีค่าเท่ากับอารมณ์ธรรมดาตัวหนึ่ง เป็นอารมณ์ธรรมดาตัวหนึ่งเอย่าไปให้ค่ามันมากกว่านั้นตัวนี้เป็นรอบนี้จิตที่ไหลอยู่ใช่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยพุทโธก็เพื่อจะรู้จิตหายใจก็เพื่อจะรู้จิตนะพุทโธพุทโธพุทโธจิตไหลไปอยู่กับพุทโธรู้ว่าจิตไหลไปกาะพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปที่อื่นรู้ว่าจิตหนีไปคิดแล้วอย่างเงี้ยพุทโธพุทโธไปจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขวันนี้พุทโธจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนะ รู้รู้แล้วเพลินก็รู้ทันว่าจิตเพลินไปแล้วแต่ว่ามันดูยากนะมันเพลินอ่ะนะตอนนั้นที่ราคะความเผลอเพลินเกิดแล้วดูยากคือคื อ, คอเอนั่นเป็นแค่อุบายนะจริงๆที่ถ้าท่านบอกว่าใจอ่ะคือกลาง เมื่อไหร่เข้าถึงความเป็นกลางเนี่ยพ้นทุกสังเกตไหมจิตของเราถ้าไม่ส่งไปข้างนอกก็ส่งเข้าข้างในถ้ารู้ทันว่าส่งเข้าข้างในนะมันจะเป็นกลางขึ้นมามันจะไม่ไม่เข้าไปข้างในไม่ไปข้างนอกตรงนั้นหละกลางแล้วก็รู้อยู่ด้วยความเป็นกลางต่อมาจิตไหลไปอีกจะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่จิตไหลเข้าไปความทุกข์เกิดเนี่ยการที่เรามีความตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยจิตตั้งมั่นขึ้นมามนคล้ายๆเราถอดถอนตัวเองออกจากกองทุกข์ชั่วคราวแล้วจิตถลำเข้าไปใหม่ จะเห็นทุกชัดอย่างแต่เดิมสมมติเราไปปลูกบ้านอยู่ข้างที่เก็บศพของวัดก็แข่งหนึ่งเหม็นทุกวันตั้งแต่เกิดเลยนะก็จะไม่รู้สึกเหม็นเท่าไหร่แต่อมาเราย้ายบ้านออกจากตรงนั้นแล้วกลับมาเยี่ยมบ้านที่นั้นจะเหม็นมากเลยทุกนี่ก็เหมือนกันจิตไปเกาะ อ, อยู่กับทุกมาตั้งแต่เกิดไม่เห็นทุกหรอกเมื่อไหร่สามารถรู้สึกตัวต่อถอนออกมาชั่วคราวนะพอไหลเข้าไปใ ห, หม่จะเห็นทุกชัดเลยนิดนึงก็ทุกแล้ว นั่นนหะหนักๆนั่นแหละตัวทุกข์แค่ตั้งใจจะปฏิบัติก็หนักแล้วนะเพราะงั้นรีบรู้ทันนะหนักๆเนี่ยโทมนัดเวทนานะขณะนั้นอกุศลจิตเกิดและวกลายเป็นว่าที่เราภาคเพียรทำเนี่ยเราทําอกุศลอยู่หรือปฏิบัติจนเครียดมีเครียดเป็นโทสะใช่ไหมถ้ามีอาจินมกรรมเครียดเน่ยจะไปเกิดที่ไหนเนี่ยปฏิบัติจนตกนรกอ เมื่อไรตั้มเผลอไปคิดเนี่ยความเป็นตัวตนมันเกิดในขณะนั้นเนี่ยจะไปดูควาเป็นตัวตนไม่มีมันไม่มีมันมันดูไม่ได้นะแต่ขนาดใดเกิดสติขึ้นมาหมดความคิดไม่กลุงแต่ขณะนั้นก็ไม่มีความเป็นตัวตนจะให้ดูน ะ, ะมันต้องดูตามหลังมันจะเห็นว่าก่อนหน้าเนี้มันยึดเป็นตัวตนไหมขณะนี้ไม่มีล้วอ่สันตติต้องขาดถึงจะเห็น ทำง่ายกว่า น, นี้อ่านความรู้สึกไปเรื่อยๆรู้ความรู้สึกในใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามหลังการกระทบอะนะรู้สึกไงก็รู้ไปเรื่อยๆแล้วก็รู้อาการของจิต ร, รู้พฤติกรรมของจิตจิตไหลไปท้งนั้นทั้งนี้รู้ไปเรื่อยพอรู้ทันว่าจิตส่งเข้าไปข้างในมั่งส่งไปข้างนอกมั่งจิตจะตั้งมั่น ต, ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยเรียกว่ามีสัมมาสมาธิแล้วอจิตไหลเข้าไปอีกจะเห็นทุกชัดเลยนะ เพราะฉั้นเราจะเห็นทุกข์ไม่ได้ถ้าใจเราไม่ตั้งมัน่นหรือเราจะเกิดปัญญาไม่ได้ถ้าใจไม่ตั้งมัน่ น, นไม่เป็นภาคเปียนมากไปเป็นทําด้วยโ ล, ละภโลละแล้วต้องให้สบายกว่านี้ตอนนี้ทําลําบากเกินไปละวพระเจ้าถึงบอกว่าเราไม่เห็นอะไรเป็นทิษเป็นภัยเท่ากับมิจฉาทิฏฐิเลยเรามีทิฏฐิในการปฏิบัติควรจะทําอย่างนี้ควรจะทำนี้ตั้มโยนไอ้กนัวๆนี่ทิ้งไปห้หมดเลย มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำยังไงนะโยคาว่าทาทิ้งไปมันของปลอมีก็คอยรู้ไปรู้ซื่อๆรู้ง่ายๆยิ่งง่ายยิ่งดีนะจิตใจรู้สึกยังไงรู้ไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนทั้งวันอยู่แล้วรู้สองอย่างนะรู้ความรู้สึกอันหนึ่งรู้อาการของจิตใจอย่างบางีก็ส่งไปท้งนั้นส่งไปทางนี้ก็รู้ทัน ถ้ารู้ทันว่าส่งไปใจก็ถอด ถ, ถอนออกมาตั้งมั่นถ้าตั้งมั่นเราจะเห็นเลยความรู้สึกทุกอย่างเกิดแล้วดับๆๆๆๆ เ, เกิดแล้วดับจิตมันฟุ้งซ่านออจับนีน่ทีจับนี่ทีนะเนี่ยนะเห็นไหมมันเปลี่ยนไปยละมันไหลเข้าไปตรึกแล้วรู้ไหม รู้ทันรู้เฉยเยรู้แล้วโยนทิ้งเนี่ยเห็นไหมหนีอีกแล้วหนีแวบรู้แวบรู้ไปเลยจริงๆแล้ว่จิตเกิดดับขีละดวงแต่เราไปรู้สึกว่าจิตมีดวงเดียววิ่งไปวิ่งมาทํางานได้หลายอย่างไม่ใช่แค่ตัวการ์ตูนอ่ะตัวการ์ตูนจริงๆไม่มีใช่ไหมมีแต่รูปแต่ละรูปแต่ว่ารูปเนี้ยมันต่อกันมันก็เลยดูว่าเคลื่อนไหว จิตเนี้ยเดี๋ยวเกิดทางตาแล้วดับเกิดทางหูแล้วดับเราเลยคิดว่าวิ่งไปวิ่งมาคือถ้ามันรู้ถูกต้องนะมันไม่ทุกข์หรอกยกเว้นยกเว้นอารมณ์ทุกข์นั้นมันมาจากข้างนอกถ้ามันแทรกเข้ามาจากข้างนอกอย่างผีมันมาเพ่งใส่เรา มันแน่นอยู่อ่งเนี่ยทั้งทัที่เราก็มีสติอยู่ถ้าอย่างไงต้องรีบแผ่ส่วนบุญแผ่นี้สองแผ่นะแผ่เมตตากับแผ่ส่วนบุญอย่างผีมาขอส่วนบุญไปแผ่เมตตามันไม่เอานะไม่เหมือนกันอย่างหมาจะกัดเนี่ยอย่าไปแผ่ส่วนบุญนะให้แผ่เมตตาอืมอ่าเดี๋ยวค่อยไปถามสัมภาษณ์อานี้ง่ายแผ่ไม่ตอบ แต่เมตตาได้แผ่ส่วนบุญไม่ได้มันก็มีแต่เปลืสีถึงจะรับได้แต่ว่าคนเนี่ยไปบอกให้อนุโมทนาได้อย่างทำบุญแล้วไปบอกพ่อแล้วพ่อดีใจพ่อได้บุญถ้าไปบอกพ่อแล้วพ่อบอกไอ้โง่เอาเงินไปให้พระนี่พ่อบาปไปเลยก็ดูความไม่เที่ยงของมันไป ความไม่เบิกบานก็กระดับอีกอะถ้าดีที่สุดแล้วนีน่ดูความเบิกบานนะดูจิตที่ถลำไปดูความเบิกบานนะ่ะพอดูตัวนี้ขาดปั๊บนะจะขาดหมดเลยแต่ว่าอย่าเจตนานะตั้มเจตนาดูมากไปอย่าไปรีบร้อนทําอย่างนั้นรู้ไปตามลําดับรู้สบายๆโอ้ยอย่าไปอย่าไปหามัน หลวงู่บอกอย่าใช้จิตสแสวงหาจิตหาอีกกรับหนึ่งก็ไม่เจออ่าเหตุปัจจัยมันพร้อมปัจจัยพร้อมไม่ใช่เหตุปัจจัยปัจจัยพร้อมเน้อยเหตุปัจจัยเอาเหตุปัจจัยก็ได้เอเหตุฝ่ายกุศล คืออย่าอย่าอย่าให้วิญญาณหยั่งลงไปด้วยเจตนาที่มองไม่เห็นนะโลภะเจตนาคือสังขารเป็นตัดใจให้วิญญาณใช่วิญญาณหยั่งลงไปที่รูปนามหยั่งลงสู่รูปนามรูปนามนั่นแหละตัวทุกการเอาวิญญาณหยั่งลงไปนั่นแหละสร้างภพคือการทำงานอันหนึ่ง